วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงพ่อพริ้งมณีธาโนหรือว่าพระครูประสาทวรคุณพระผู้เรืองเวทแห่งวัดโบสถ์ตำบลโกงทะนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันครับหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์นี่เป็นพระอีกรูปนึงที่ประชาชนทั่วไปต่าง หลวงพ่อ 2443 วันสุขศุกร์โยมแม่ชื่อหนังแสงพ่อท่านเป็นคนหัวปี จากการเปิดเผยของหลวงพ่อพระอธิการบุญช่วยเขมโกซึ่งอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อพริ้งมาตลอดเวลาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลวงพ่อพริ้งท่านมีอายุได้ 8-9 ขวบนั้นโยมพ่อของท่านได้ส่งให้ไปเรียนหนังสืออยู่กับหลวงพ่อวัดไก่เตี้ยตำบลคลองน้อยอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพะนนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระอาจารย์ชื่อดังมากในสมัยนั้น สำหรับการศึกษ่าในส Koso เค weigh in about อย่างไม่มีโรงเรียน・ไม่มีคลูสอน พระผู้สอนหนังสือให้กับเด็กๆต้องถือ ท่านมุมานะพยายามแล้ว หลวงพ่อปริงก็ขออนุญาตหลวงพ่อวชิไตเตี้ยเดินทางกลับมายังบ้านเกิดมา เพราะว่าท่านปรารถนาที่จะได้ ท่านบวชเมื่ออายุได้ 20 โดยได้อุปสมบทกับหลวงพ่อชําเจ้าอาวาสแล้วท่านก็มีมานะพยายามที่ ท่านกล่าวกับผู้ใกล้ชิดบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ทําให้คน ก็มีส่วนทําให้ท่านมีความ 2-3 ครั้งก็มีความจําได้เร็วกว่าครั้ง ทำให้ไม่ติดขัดในการสวดมนต์งั้นถ้าจิตมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านก็เกิดสมาธิ ต่อมาในปี 2468 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดให้เป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระ แล้วก็จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม หลวงพ่อปริงท่านไปในกิจนิมนต์อย่างมากมายแทบจะไม่มีเวลาพักพรเพราะท่านไม่เคยปฏิเสธญาติโยมคนไหนในการมานิมนต์ เพราะทางที่จะไปนั้นลําบากมากบางครั้ง พูดจบคนขับก็พาท่านไป ในบริเวณวัดโบสถ์สมัยที่หลวง บรรดาทายกและศิษย์วัดทั้งหลายก็ไม่กล้าตัดไปบ่มโดย หลังจากวันนั้นต่อมาอีก 2-3 วันก็มีเหตุการณ์ที่เป็น ดังกังวานยังก็ขนุนหลุดจาก แต่ก็มีบริเวณบางส่วนของวัดเป็นต่างๆได้หลวงพ่อพริ้งก็แนะนําให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นเองบ้างหลังจากที่บรรดาศิษย์ เศรษฐีสงมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ละแวกวัดนั้นก็แตกฝูงเข้ามาในวัดทำความเสียหายให้กับสวนผักขนาดย่อมแห่งนั้นด้วยการเหยียบย่ำเก็บกินพืชผักที่กำลังงอกงามด้วยความอเร็ดอร่อยเด็กวัดเจ้าของสวนผักก็พยายามขับไล่เพื่อรักษาพืชผักอันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกตัวเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถจะปกป้องได้เพราะว่าบริเวณวัดโบสถ์ในช่วงนั้นยังไม่มีรั้วรอบขอบชิดเช่นในปัจจุบัน วัวควายซึ่งเป็นสัตว์เมื่อ เพราะว่าสวนท่านก็บอกว่านับวันจะย่อยยับลงไปทุกทีเออมนุษย์นี่หนอมัน แต่หากไม่มีความรู้สึกนึกคิด แล้วก็ตายอย่างอนาถาในที่สุด ในสมัยที่หลวงๆนั้นท่านอ่านหนังสือไม่ออก ว่าในครั้งพุทธกาลนั้นพระภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลถามององ 8 องค์ให้ ในวันแรกนั้นให้ราชบุรุษรับบาดบรรจุบาดให้เต็มด้วยข้าวบ่อยๆ ทำด้วยงาช้าง 8 วงอันเป็นของ ดิฉันสละถวายกำไรมือเหล่านี้ถวายแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายรับเอาไปเถอะปะ พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงทราบด้วยวิถีญาณก็ได้ การที่ท่านเกิดปัญญาดีเมื่อภายหลังเช่นนี้อาจจะเนี่ยเป็นคนนึง บารมีหลวงพ่อพริ้งเนี่ยๆเพราะได้ประสบมาด้วย แหลบลงข้างทางจากนั้นก็ตัวใครตัวมันทั้งคน อีกรายนึงเป็นพ่อค้านำรถออกไปขายของตอนเช้าแล้วถูกดักปล้นโดยคนร้ายได้ชักปืนออกมาขู่แต่ว่าปืนน่ะลั่นไปนัดนึงถูกที่หน้าอกของเขาอย่างจังคนร้ายก็ตกใจเพ่นหนีไปเมื่อเขาตรวจดูตัวเองก็ นับจากเรื่องที่พ่อค้าคนนั้นถูก เหลือเกินแล้วหลวงพ่อพริ้งท่าน คือทุกวันท่านจะพิจารณาการยืนเดินนั่งนอนด้วยอาการสำรวมในจิตที่เป็นสมาธิท่านๆทั้งนั้นท่านก็บอกว่ากิเลส ความโลภก็เป็นอันตรายของธรรมทั้งปวงเจียวนะชาวบ้านในท้องที่ใกล้เคียงเช่นอ่างทองนครสวรรค์และสิงห์บุรีชัยนาทต่าง หลวงพ่อนี่โอ้โหท่านเป็นพระที่อยู่อย่างง่ายๆครับไม่พิถีพิถันอะไรมากครับเพราะ มีน้อยก็อยากจะได้มากมีมากก็อยากจะให้มีมากขึ้นไปอีกอย่างเนี้ย ก็นําเอาฟิล์มก็เลยมีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งก็ได้ไปขอถ่ายรูปท่านใหม่ล้างดูแต่ปรากฏว่าภาพ จึงๆแต่ก็ 24 มิถุนายน 2527 รวม 84 ปีบวช 63 พรรษาทําให้บรรดา โอ้พระคุณทูลหลวงพ่ออยู่ดูแลกระแสสุขจากท่านโอบอ้อมพร้อมมีอารีชนแล้วร่ม มหาศีลบุญห่างหายเหมือนหนีทิ้งร่างไว้ให้ เพื่อให้ประชาชนเคารพกราบไหว้น้อมรำลึกเป็นอนุสติเตือนใจนึกถึงคุณความดีที่ท่านได้สร้างไว้แก่เราทั้งหลายส่วนสิ่งที่เหลืออยู่นอกจากนี้ก็คือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ควรจะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นเพราะการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนี้จะได้รับการยกย่องทั้งเทวดาและมนุษย์ พระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องผู้ประพฤติธรรมคือความดีมีประโยชน์ธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่คนนะจง ถึงแม้ท่านจะมรณภาพแล้วก็ตามความศักดิ์สิทธิ์ของรูปหล่อเท่าองค์จริงของท่านก็เคยแสดงอภินิหารให้ชาวบ้านได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเช่นผู้มีเคราะห์กรรมจะมาขอพึ่งบารมีท่านให้ช่วยเหลือก็จะประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรายเมื่อในเวลานี้ได้มีชาวลพบุรีเดินทางไปธุระที่วัดโบสถ์แล้วก็แวะเข้าไปกราบศพของท่านขณะที่ทุกคนกำลังจุดธูปเทียนเพื่อบูชาต่อหน้าศพของท่านก็ได้ยินเสียงคล้ายๆคนแก่บอกว่ากลับไปนะจะมีโชคนะ ขอให้ตั้งใจให้ดีทำบุญไว้บ้างต่างก็ปรึกษากันว่าใครได้ยิน แต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรถยนต์มักจะนําไปให้ท่านเจิมอยู่เสมอเพราะถือว่าเป็นนิมิตดีที่ท่านเป็นผู้ลงพลังจิตอันเข้มขลังของท่านผู้ที่นําไปให้ท่านเจิมจะเกิดโชคลาภและคล้ายคลาดจากอุบัติภัยอยู่เสมอบางคนก็กล่าวว่าเคยพบอุบัติเหตุแต่ไม่ ทั้งๆที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ว่าในคืนนึงมีพระภิกษุแก่ๆรูปนึงว่าควรจะไปบ้างเพราะท่านอยู่เมื่อเขาถึงถึงได้ว่าหลวงฝันของเขานั่นพริ้งซึ่งท่านได้มรณภาพไป แล้วก็จะช่วยสร้างเสนาสนะภายในวัดโบสถ์ของท่าน ก็กลับมาทําบุญกับ ด้วยแรงศรัทธาของคณะชาวตลาดลพบุรีในครั้งนั้นทําให้ทุกคนต่างก็มีโชคดีกันทุกคนเพราะว่าบารมีของท่านแท้ๆเขาจึงพากันมากราบศพท่านทุกๆเดือนส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดต่างเป็นคนดีมีศีลมีธรรมกันทุกคนเพราะหลวงพ่อพริ้งท่านได้อบรมสั่งสอนอยู่เสมอในครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนทําให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่เนี่ยมักจะ ของภาพถ่ายหลวงพ่อพริ้งนั้นได้แสดงอภินิหารให้ชาวตลาดลพบุรีได้รู้มาแล้ว ไฟลุกลามโหมกระหน่ำอย่างหนักแต่ก็แปลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นผ้ายันหรือภาพถ่ายของท่านต่างๆอ่าเจ้าบ้านคน ผู้ใดไปกราบพระภิกษุผู้ทรงศีลจะรับประโยชน์ ควรแล้วก็มีประโยชน์พูดแต่คําไพเราะน่ะโยมแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ควรพูดแต่ เท่ากับเป็นการรำลึกถึงความดีของท่านนั่นเองท่านที่ต้องการจะเดินทางไป 15 กิโลเมตรเท่านั้นนั้นจากระบุรี พระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็